ไม่สามารถเจริญปัญญาได้ไม่สามารถบรรลุวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้นี่คือบุคคลที่ไม่มีสติอีกบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงก็คือคนที่เมาเนีเองคนที่เมาก็เป็นคนที่ขาดสติไม่มีสติจะไม่สามารถทำ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 หลุดพ้นจากความทุก์ได้มากถ้ามีสติน้อยก็จะทำทานได้น้อยรักษาศีลได้น้อยนั่งสมาธิได้น้อยเจริญปัญญาได้น้อยหลุดพ้นจากความทุกข์ได้น้อยนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราควรที่จะให้ความสําคัญ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 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเราเลิกถึงพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าพุทธานุสติเราเลิกถึงพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมานุสติเราเลิกถึงพระอริยสงสาวกก็เรียกว่าสังขานุสติเราเลิกถึงลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอานาปนสติเราเลิกถึงเทวดา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 ถูกแรงกากัดชิ้นส่วนอวัยวะกระจัดกระจายศพที่แห้งศพที่กรดกลายเป็นดินกลายเป็นอะไรไปนี่ก็เป็นการผลิตสติได้เป็นเครื่องมือที่จะผลิตสติได้แล้วก็มีกระสินสิบประการกระสินก็คือสีต่างๆ กาจะกําหนดสีให้จิตดำลึกถึงสีใดสีหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่ากสิณสิบมีอยู่สิบชนิดต้องเข้าไปค้นคว้าดูเอาจากตำราแต่เท่าที่ครูบาอาจารย์ได้นำพาปฏิบัติกันก็จะมีอยู่สองเป็นหลักสองสามเป็นหลัก คือหพุทธานุสติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณเช่นส่วนบทอิติปิโสอรหังสัมมาสวรอรหังสัมมาหรือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญพุทธานุสติหรือการ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 อยู่ในห้องอาจจะใช้วิธีเดินเดินหน้าแล้วก็เดินถอยหลังไม่ต้องกลับถ้ากลับแล้วมันจะเวียนศีสาวเพราะมันอาจจะเดินได้เพียงสิเกเดินเดินไปสิเก้าแล้วก็เดินถอยหลังสิบเกเอามือยันไว้ข้างหลังเพื่อเดินไปชนฟ้าจะได้รู้ว่ากำลังจะชนฟ้า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 เมื่อไม่มีที่เดินมีแต่ที่ที่อยู่ในห้องก็ต้องใช้การเดินแบบบเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังถ้าเดินแล้วหมุนกลับนี่เดี๋ยวมันจะเวียนศีรษะเพราะว่ามันสั้นเกินไปแล้วเดินก็อาจจะต้องเดินช้าหน่อยเพราะระยะมันสั้นถ้าเดินเร็วปุ๊บปับมันก็สุดทางแนละ้ว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 นอนอย่างเดียวก็ปวดได้นั่งอย่างเดียวก็ปวดได้ยืนอย่างเดียวก็ปวดได้เดินอย่างเดียวก็ต้องก็ปวดได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถทั้งสเวลาที่เราทําอินทรีย์สังวรควบคุมตาหูจมูกริ้นกายขั้งตัวเองอยู่ในห้องเราก็ต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเราก็ต้อง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 ถ้าไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเรื่องในวันข้างหน้าก็เป็นเรื่องของอนาคตใจก็ไม่อยู่กับปัจจุบันแล้วถ้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันใจจะไม่นิ่งใจจะไม่สงบใจจะไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ธรรมที่มีความสำคัญระดับที่สองต่อจากสติก็คือสมาธิเพราะว่า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 ไม่ต้องทำอะไรอันนี้จึงเป็นทมที่สำคัญรองจากสติเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแต่จะได้สมาธิอย่างเต็มที่นี้จำเป็นจะต้องนั่งเฉยเฉยไม่ทำอะไรถ้าร่างกายยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ก็หมายถึงว่าใจยังต้องทางานอยู่เพราะใจเป็นผู้ควบคุมร่างกายนี้เอง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 แต่สลับชื่อแต่เป็นตัวเดียวกันตันหาความอยากก็คือความโลภเนี่อยอยากได้น่นอยากได้นี่อยากดูนั่นอยากอยูน่นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ก็เรียกว่าเป็นความโลภส่วนความโกรธก็เป็นผลที่เกิดจากเวลาที่ไม่ได้ตามใจอยากอยากได้อะไรแล้วถูกคนอื่นมาขัดขวางก็จะเกิดก็จะโกรธคนที่ขัดขวางขึ้นมา อันนี้ก็เป็นกิเลสเป็นวิภวตัณหาความความอยากได้แล้วไม่ได้นังใจอยากก็เกิดความโกรธความเกลียดขึ้นมาไม่ชอบขึ้นมาไม่อยากเจอหน้าคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็เป็นวิภวตัณหา สรุปแล้วก็คือถ้าพูดถึงตันหาก็หมายถึงกิเลสถ้าพูดถึงกิเลสก็หมายถึงตันหาถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นพวกเดียวกันเป็นญาติเป็นตระกูลเดียวกันนามสกุลเดียวกันถ้าเจอนามสกุลนี้ต้องถอดถอนออกให้หมดถ้าใครมีนามสกุลว่าตันหามีใครมีนามสกุลว่าโลภโกรธหลงก็ขอให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 แต่ถ้ามีสมาธิแล้วยับยั้งได้พอปัญญาบอกว่านี่คือความโลภ ก, ก็หยุดได้พอปัญญาบอกว่านี่คือความโกรธก็หยุดได้พอปัญญาบอกว่านี่คือตัณหาความอยากก็จะหยุดได้อันนี้ต้องมีสมาธิและมีปัญญาถึงจะสามารถต่อสู้กับข้าศึกศัตรู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 เป็นความทุกแท้เป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขก็จะไม่ต้องจะไม่ทำตามความอยากเลยไม่อยากได้ทรัพย์ไม่อยากได้เงินทองไม่ได้อยากอยากอยากได้ความสุขผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นในโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้น สัพเพสร้างฆ่าราทุกขคาสังขารคือสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้สิ่งที่ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไอยนี้เรียกว่าสังขารทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นวัตถุข้าวของต่างๆนี้ล้วนเป็นสังขารธรรมเป็นสิ่งท่าผลผลิตผลิตจากดินน้ำลมไอยทั้งนั้น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 อย่างที่มีเคยมีข่าวคนขี่ซาลังถูกแบตเอรี่หกล้านได้มาก็ใช้มันแหลกเลยเพียงไม่กี่เดือนก็หมดหมดแล้วก็กลับไปขับขี่ซาลังต่อไปเวลารวยแล้วจนนี่มันทุกข์เนี่ยแต่เวลาจนแล้วรวยมันไม่ทุกข์เวลาที่จนอยู่วไม่รวยมันก็ไม่ทุกข์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 ซื้อข้าวข้าวก็มีกินฟรีอยู่แล้วซื้อบ้านบ้านก็มีอยู่ฟรีอยู่แล้วซื้ออะไรก็มีอยู่แล้วปัจจัยสี่ก็มีอยู่แล้วซื้อรถซื้อไปทําไมก็ไม่ได้ไปไหนขึ้นรถ ไ, ไปก็ได้ถ้าจะไปไหนมาไหนลูกศิษย์ลูกหาก็มีรถลาเยอะแยะอยากจะไปไหนเมื่อไหร่ก็บอกลูกศิษย์ลูกหาได้ก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเงินมีทอง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 ไม่เห็นโทษของมันเวลาเสพเคยเสพแล้วไม่ได้เสพเป็นยังไงพล่านดิ้นหนงุดหงิดลำคาญใจคนอยู่ใกล้แล้วก็ต้องระวังเดี๋ยวก็โดนลูกหนงอยากจะไปชอปปิง้งไม่มีเงินชอปซะแล้วราหมารูดบัตรเครดิตกระทั่งมันรูดไม่ได้แล้วพอเคยทำมาแล้วมันติดเป็นนิสัยมันสนุกมันสุข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 แต่ถ้ามือที่ถนัดมันขาดไปทอยังไงมันก็หัดใช้มือที่เหลืออยู่ได้ใช้ไป น, นานๆมันก็ถนัดขึ้นมาเองการไม่มีสติก็เป็นอย่างนั้นเราถนัดกับการไม่มีสติชอบปล่อยให้ใจเราลอยชอบปล่อยให้ใจเราคิดเรื่อยเปลื่ยพอที่จะมาบังคับมันไม่ให้คิดเลื่อยเปลื่ยมันก็รู้สึกอึอดอัดขึ้นมาเหมือนกับบังคับให้ใช้มือที่เราไม่ถนัด แต่ถ้าบังคับไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ถนัดเองดงนั้นถ้าเราไม่บังคับเราไม่มีวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรที่จะเจริญสติเราจะไม่สามารถเจริญสมาธิได้จะไม่สามารถเจริญปัญญาได้จะไม่สามารถเจริญวิบูติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่แหละคือ การปฏิบัติของเราต้องทุ่มมาอยู่ที่ทําทั้งสี่ประการนี้คือสติด้วยวิริยะเป็นผู้สนับสนุนเพื่อที่จะได้สมาธิเมื่อได้สมาธิก็จะได้ใช้สมาธิในการเจริญปัญญาต่อไปเพราะผู้ที่จะเห็นอริยสัจสี่ได้นี้ต้องเห็นด้วยใจที่สงบเพราะอริยสัจสี่นี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกใจ อยู่ข้างในใจอริยสัจสีนี่ก็เป็นเหมือนปลาในน้ําถ้าน้ําขุ่นนี้จะเห็นปลาเห็นตัวปลาหรือเปล่าถ้าทําให้น้ําใสแล้วจะเห็นหรือเปล่านั่นแหละใจตอนนี้มันขุนด้วยความโลภโกรธหลงด้วยความอยากต่างๆด้วยความฟุ้งซ่านมันจึงมองไม่เห็นอริยสัจสแต่ถ้าทําใจให้สงบได้ด้วยการจเจริญสติ พอใจสงบนิ่งแล้วก็เป็นเหมือนน้ํานิ่งน้ํานิ่งน้ําก็จะใสก็จะเห็นตัวปลาในน้ําฉันใดสมาธิก็เป็นอย่างนั้นถ้ามีสมาธิแล้วพอใช้ปัญญาก็จะเห็นพอดูทุกข์ก็จะเห็นเลยว่าทุกข์นี่อยู่ที่ใจนี่จะไม่ไปโทษคนอื่นว่าเธอทําให้ฉันทุกข์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 แม่ก็เลยทุกข์พยายามไปเคี่ยวเข็นให้ลูกทำตามความสั่งให้ได้ ย, ย, ยิ่งเคี่ยวเข็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไปทางนั้นเพราะลูกไม่ยอมทำตามคำสั่งไม่เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากให้ลูกทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่มีสมาธิไม่เห็นถ้ามีสมาธิจะเห็นเลยเพราะเวลามีสมาธินี้ใจไม่มองออกข้างนอกเป็นหล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 ไม่มีสีห้าเหมือนกับเดลชาเพราะไม่มีสติที่จะรักษาสีหานี่เองคนที่มีสติรักษาสีห้าได้ก็แสดงว่ามีสติระดับมนุษย์คนที่มีสติทำทานได้ก็เป็นคนที่มีสติระดับเทวดาคนที่มีสติทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสติระดับของพรหม แล้คนที่มีสติเห็นอริยสัจสีได้ก็เป็นคนระดับพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปมีพระอริยบุคคลเท่านั้นที่มีสติปัญญาที่จะเห็นอริยสัจสีได้น่าจะเห็นได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามาเป็นคนสอนก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นอีกเพราะไม่สนใจที่จะมอง ก็ยังมองไปข้างนอกอยู่มองไปที่ร่างกายไปมองไปที่ทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นหลักจนกว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แล้วสอนให้กลับมามองที่ข้างในถึงจะเห็นอริยสัจสี่ถึงจะเป็นโสดาบันขึ้นมาได้ถึงจะเป็นสกิทาคามีขึ้นมาได้เป็นอนาคามีขึ้นมาได้เป็นอรหันต์ขึ้นมาได้ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นคนเห็นก่อน พราไม่มีใครฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าที่จะย้อนกลับมามองในตัวเองจะมองไปข้างนอกทั้งนั้นถึงแม้จะเป็นเป็นระดับสมาได้สมาธิมาแล้วก็ตามพอออกจากสมาธิปักก็ไปทางข้างนอก ท, ทันทีไปมองที่รูปเสียงกลิ่นรสไปมองที่ลาบยศสารเสริญมองที่ลายก็ทุกทุกทีเพราะเห็นว่ามันต้องเสื่อมแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ใช้วิธีหลบเอา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 ท่านเห็นว่ามันไม่มีทางก็หันกลับก็มองข้างในเรามองเข้าข้างในก็เห็นเลยอ๋อเนี่ยตัวที่ทำให้ทุกข์ก็คือตันหาความอยากตัวที่จะทำให้ดับความละตัหาความอยากได้ก็ต้องเห็นเลยว่าของต่างๆข้างนอกนี้มันเป็นทุกข์อย่าไปอยากได้มันก็จบเห็นแค่นี้มันก็จบพอมีคนมาสอนปับ๊บคนอื่นฟังปับ๊บก็บรรลุเป็นโสดาบันไลยเห็นไนหะ พอแสดงทมครั้งแรกอัญญาการทันยก็เข้าใจเลยอ๋อสิ่งใดมีการเกิดย่อมมีการดับไปธรรมดาเมื่อมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากท่านว่าอย่าไปอยากได้ถ้าไม่อยากแล้วมันก็จะไม่ทุกข์เข้าใจหลักอริยสัจ ส, สีแล้วพระเจ้าถึงบอกอัญญาการทันยะเธอรู้แล้วเนาเธอรู้แล้วเนาะเธอเห็นแล้วนาเห็นอริยสัจ ส, สแล้วคนแรกที่เห็นตามที่พเจ้าทรงสอน พระเจ้าดีใจว่าสอนแล้วไม่ไม่เสียเวลาตอนนี้มีใครเห็นหรื อ, อยังเนี่ยคนสอนนี่สอนมาไม่รู้กี่กี่ปีแล้วก็ไม่รู้ยังไม่มีใครมาบอกว่าเห็นแล้วหนอเลยนีย่นขอให้เห็นอันนี้เห็นอริยสัจสี่เห็นทุกขสมุทัยนิโรธมักอยู่ภายในใจของเราเราจะได้ไม่ต้องไปแก้ผิดที่ ไปแก้ที่ลูกไปแก้ที่สามีไปแก้ที่งานการที่สมบัติไปแก้ที่กฎหมายแก้ไปจนวันตายก็ไม่มีจบเนี่ยเดี๋ยวไปแก้เขียนรัฐมนูลใหม่ขึ้นมามันก็ไม่จบเเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่รัฐมนูญปัญหามันอยู่ที่ใจของคนที่มองไม่เห็นอริยสัจสี่ถ้าจับทุกคนมานั่งฟังสมาธินั่งสมาธิแล้วแสดงธรรมได้ให้ฟังทาได้รับรองได้ว่า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 มันกลับทําให้เห็นว่าศาสนาเป็นของโบราณของราชสมัยหรือขององมงายไปหารู้ไหมว่าศาสนาพุทธนี่เป็นทางสู่การอยู่อย่างสันติอยู่กันอย่างมีความสุขไม่รู้ไม่รู้ว่าศาสนาพุทธนี่แหละคือรัฐธรรมนูญปกครองมนุษย์ถ้าอยากจะเขียนรัฐธรรมนูญให้เขียน เขีนจากพระพุทธศาสนาเนี่ยเอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเถอะรับลองได้ว่าทุกคนจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุดเพียงแต่รักษาศีลห้าได้นี่ก็ตัดปัญหาไปได้เยอะแล้วตํารวจก็ไม่ต้องมีมาคอยจับขโมยคุกก็ไม่ต้องมีไว้สําหรับขังขโมยศาลก็ไม่ต้องมีมาคอยตัดศีนปุญจงกุญแจก็ไม่ต้องมี ไม่ต้องนอกเก็บข้าวเก็บของไว้เพราะไม่มีใครจะมยจะขโมยของของใครลูกมีลูกมีกมสามีภรรยาก็ไม่ต้องกังวลว่าจะถูกคนอื่นมามาแย่งออกไปมาฉก ช, ชิงไปเนี่เพียงแต่รักษาสิทธห้ากันนะธรรมนูญการปกครองของมนุษย์ก็คือสิน5ห้าดีๆนี่เอแล้วถ้าอยากจะเป็นเหนือมนุษย์ก็ทำทานกันสิช่วยเหลือกันแบ่งปันกัน คนมีมากก็แบ่งให้คนมีน้อยคนมีน้อยก็จะได้สบายคนมีมากมันก็ยังสบายเหมือนเดิมอยู่ไม่ใช่ว่าแบ่งปันแล้วมันจะมันจะทุกข์ขึ้นมาที่ไหนมันก็ไม่ทุกข์ยากลาบากอะไรมันก็ยังสุขยังสบายเหมือนเดิมอยู่นี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นที่พึ่งของโลกธรรมังสระนังกัจฉามิ แต่โลกไม่หันหน้าก็หาธรรมังสรารนังกระชามิกันหันหลังให้กับธรรมังสรารนังกระชามิหันหน้าให้กับอาวุธยุทธโภกกรต่างๆสร้างอาวุธกันขึ้นมาเพื่อที่จะมาฆ่าฟันกันเนี่ยโลกเนี่ยสักวันหนึ่งจะต้องตายด้วยอาวุธอาวุธเ จ, จ้าได้ทรงทํานายแล้วต่อไปจะเป็นยุคของเมิตสันตีจะมองเห็นมนุษย์ด้วยกันที่เป็น เป็นผักเป็นปลาเป็นเนื้อสัตว์ที่จะคอยเข็นฆ่ากันจะอยู่กันแบบเดรัจฉานอยู่กันแล้วยิ่งมีอาวุธร้ายแรงอย่างนี้มันก็จะต้องล้างโลกกันอย่างแน่นอนดังนั้นถ้าไม่อยากจะให้โลกเป็นอย่างที่พุะเจ้าทรงทำนายไว้ก็ต้องมาเข้าหาศีธรรมกัน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 ทานก็จะเกิดศีลก็จะเกิดสมาธิก็จะเกิดปัญญาก็จะเกิดวิมุติหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเกิดโลกก็จะอยู่กันอย่างนุ่มเย็นเป็นสุขการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผ่อน ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสากหังเอวเมวะอิตูทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเเมวะสมิจโตสเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปนะวะโสยะถาเมริโชติ อระโสยะาสภิตโยวิวัจจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีฤทธสมิจังุทตาปจายโนจตารโธรรมวาทาติอายุวันโอสุขังภาลัง ติดตามใน Facebook อยู่แล้ว mm hmm. ดีถ้ามีปัญหาอะไรก็ก็โพสใน f facebook ก็ได้แล้วเขาก็จะเอามาถามที่นี่แล้วก็จะอัดเสียงใส่เข้าไปใน u t u b e ต่อไปแล้วก็ไปฟังเปิดฟังได้ทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมี u t u b e ของวันของวันเสาร์ของวันอาทิตย์ตอนต้นก็จะเป็นเสียงธรรมท่เทศแล้วตอนต่อไปก็จะเป็นเรื่องตอบปัญหาธรรม ถ้าของผู้ที่อยู่บนบนศาลาบนเขานี้รับของผู้ที่ฝากมาทางเฟซบุ๊กยังภาวาแล้วยังเห็นตัวเองติดเพ่งอยู่แ ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต, ต่ว่าก็้อยจนกว่าจิตตัวมันก็ยังมีเยอะคือการเพ่งมันก็เป็นการเจริญสติเพื่อให้เกิดสมาธิถ้าเพ่งถูกเช่น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 ถ้าขั้นของปัญญาก็ต้องหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันห้าก่อนอย่างที่เมื่อกี้ถามถามว่าการที่จะอะไรนะเมื่อกี้คำการที่จะเป็นพระอริยะจะต้องเห็นแจ้งในกายก่อนใช่ไหมความจริงต้องเห็นแจ้งในขันห้า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 เป็นสามีเราภรรยาเราบิดาเรามารดาเราพอเขาแก่เจ็บตายเราก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไปหลงไปคิดว่าเขาเป็นของเราเนี่ยเราต้องมองให้เห็นว่าร่างกายของทุกๆคนนี่ไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นเป็นของดินน้ำลมไฟทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วในที่สุดก็ต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป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 ในความจริงของร่างกายว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟไม่ไปยึดไปติดไม่ไปอยากก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันถ้าอยากจะขึ้นไปขั้นที่สองพระสกิดาคามีพระอนาคามีขั้นที่สามก็ต้องละความ อยากในการาอารมณ์ยังยังติดอยู่กับความสวยงามของร่างกายของคนอื่นเห็นความเห็นคนสวยคนงามก็อยากจะได้เขามาเป็นคู่ครองมาร่วมหลับนอนมาให้ความสุขอันนี้ต้องเจริญอสุภะอย่างที่หนังสือที่เอามาให้เนี่ยกายกตาสตินี่เป็นหนังสือที่สอนวิธีพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกาย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 เวลาเกิดการอารมณ์พอนึกถึงภาพส่านี้มันก็จะดับการอารมณ์ได้ก็จะทำให้ไม่มีความอยากจะเสพกามกับใครต่อไปก็จะได้บรรลุเป็นขั้นที่สองที่สามไปขั้นที่สองก็คือทาให้เบาบางทำให้การอารมณ์เบาบางแต่ยังไม่หมดขั้นที่สามได้ทำให้การอารมณ์หมดเลยที่หมดก็เพราะว่า ทุกครั้งที่เห็นความสวยทุกครั้งที่เกิดการมารมขึ้นมาก็จะมีอสุภะเข้ามาดับทันทีเห็นเห็นส่วนที่ไม่สวยมาดับทันทีแต่ถ้าขั้นที่สองนี้บางทีก็เห็นบางทีก็ไม่เห็นบางทีก็ลืมบางทีก็ลืมอสุภะบางทีก็ไม่ลืมเวลาที่ไม่ลืมการมารมก็ดับเวลาที่ลืมก็การมารมก็เกิดไม่ดับ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 เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดก็จะไม่ต่อต้านความจริงยอมรับความจริงเห็นว่าไม่สวยไม่งามก็จะไม่เกิดการอารมณ์ขึ้นมามก็จะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายไม่ว้าเหว่ไม่เศร้าส้อยงอยเหงาการอารมณ์นี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เรามีความรู้สึกว้าเหว่สร้อยเศร้าเศร้าส้อยหงอยเหงาต้องมีเพื่อน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 เลยต้องยอมทุกข์กับอีกคนหนึ่งมันก็เลยแบบสุขสุสดิบดบสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์เสียส่วนใหญ่แต่ผู้ที่มีมีปัญญาคือเห็นอสุภะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายก็จะตัดการอารมณ์ได้จะไม่รู้สึกเศร้าส้อยหงอยหเหงาว้าเหวจะอยู่กับความสงบที่เกิดจากสมาธิได้ ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถพิจารณาปัญญาได้เหมือนกับคนที่จะทำงานต้องกินข้าวก่อนต้องมีอาหารให้กินให้อิ่นก่อนถึงออกไปทำงานได้การทำงานคือการเจริญปัญญาก็เป็นการทำงานของจิตใจจิตใจจะออกไปจเจริญปัญญาได้จิตใจต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงก่อนอาหารหล่อเลี้ยงของจิตใจก็คือความสงบคือสมาธินี่ถ้าจิตใจไม่สงบนี้เอาไป ทำงานทางปัญญาจะทำไม่ได้พิจารณาได้แค่สองสามวินาทีก็ไม่อยากจะพิจารณาแล้วก็ท่านต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาไงต้องคบคนบิดบัณฑดตอย่าคบคนงโง่และพวกเราชอบคบคนง่กัน คนโง่ก็คือคนที่มีกิเลสตัณหาหต่างๆเรียกว่าคนโง่คนเจราก็คือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านไม่มีความโลภความอยากเราครบคนผิดแล้วเราต้องหันเข้าหาพระพุทธศาสนาหันเข้าหาแสงสว่างถ้าเราไปทางความโลภความโกรธความหลงนี่ก็เป็นกลับไปเข้าสู่ความมืด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 เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับการเลิกเสพยาเสพติดนี่เองทางที่เราไปอยู่นี้เป็นเหมือนทางของการเสพยาเสพติดการที่จะเลิกหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เหมือนกับการเลิกเลิกเสพยาเสพติดมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะเลิกหรือไม่อยากจะเลิกหรือไม่ไม่มีใครที่จะ ทำแทนเราได้ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆ อ, อยู่ใกล้กับบัณฑิตบ่อยๆเห็นคุณประโยชน์ของการปฏิบัติตามคำสอนของบัณฑิตเราก็จะมีกำลังจิตกำลังใจที่จะปฏิบัติไปเองแล้วพอปฏิบัติก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นบัณฑิตขึ้นมาเองต่อไปยังขอให้พยายาม คือว่าถึงจะทำเล่นหนึ่งแล้วก็แผ่นจะทําเล่นสองต่อถ้าจะนําที่อาจารย์ที่กำลังเขาไปใส่ได้ไหมได้ไม่ไม่ไม่ห้ามไม่ไม่สงวนเรื่องกระสีเพียงแต่ว่าก็อย่าเอาไปทําเป็นเป็นทางพาณิชย์ก็แล้วกันอย่าเอาไปค้าขายแล้วก็อย่าเอาไปตัดหรือเอาไปเปลี่ยนแปลงเอาไปตามตามต้นฉบับนี่ไม่มีปัญหาอะไร แล้วก็อย่าเอาไปขายขอให้จำนายแจกเป็นธรรมทานไม่ต้องขออนุญาตทำได้เลยท่ามทอ่าทเนี้ทำเป็นธรรมทานแล้วก็เสร็จแล้วก็มาแจกคอ่าดีขออนุมโมทนาการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงเพราะทำให้คนเจรจาทำให้คนเป็นบัณฑิตขึ้นมานี่เองอ่า มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่เป็นไรใสไปใสไปนนันนนน้นนะ่ะครับแต่ที่เกาว่าสัพเพ昙มันตายทุกสรรพสิ่งที่มันตายโรคระคายที่ร่ากายเกิดพิษไฟเมื่อหลายยเนนะครับ อนี้ไม่ยกเว้นไม่ยกเว้นไม่ยกเว้นทุกอย่างเป็นอนัตตาหมดการที่บอกว่าจิตเป็นทรัพย์ของเราอันนี้เป็นสมมุติคําสมมุติที่เราใช้ใช้ในในขณะที่เรายังคุยกับเรื่องเรื่องเรื่องสมมุติอยู่แต่จิตความจริงมันก็ไม่ได้เป็นของเราจิตมันไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกับดินน้าลมไฟ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 ต้นไม้ใบหญากุฏิข้าวของต่างๆนี้มันไม่เป็นของใครมันเป็นของธรรมชาติมันมีมาอยู่แต่ดั้งเดิมเราอาจจะมาผ่ิตมันมาปรุงแต่งมันเอาส่วนนั้นส่วนนี้มาผสมกันอะไก็ทำให้มันเป็นอย่างนั้นขึอย่างนี้ขึ้นมาแล้วในที่สุดมันก็จะแยกกลับคืนสู่สภาพเดิมต่อไปสิ่งที่เป็นอนัตตก็มีอยู่หกดินนธะาต ธาตุทั้งหกทางธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟธาตุรู้ก็คือใจแล้วก็อากาศสธาตุก็คือความว่างนี่แหละที่เรียกว่าธาตุทั้งหกเนี่ยทั้งจักรวาล น, นี่ก็เกิดจากธาตุทั้งหกนี้เกิดจากการรวมตัวผสมปรุงแต่งทาให้เกิดเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานเป็นต้นไม้เป็น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 อ่านจริงๆมาอยู่วั น, นเขา น, นี้เกือบสามสิบบีแล้วไม่รู้จักต้นไม้หรอกมันชื่ออะไรไม่เคยถามมันมันก็ไม่เคยบอกเราเราก็ไม่สนใจที่จะรู้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 หาความคิดที่ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อการปฏิบัติของตนคือปัญญาแล้วความคิดการวางแผนระบบต่างๆแต่เป็นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นมินำประโยชน์สู่ตนเป็นปัญญาหรือไม่เป็นปัญญาต่างระดับกันไงปัญญาไน่มีหลายระดับระร ะ, ระดับโลกิยะก็มีระดับโลกุตระก็มีระดับโลกิยะก็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 หรือร่วมงานกระถินพระปา่างานบุญสร้างพระสร้างวัดสร้างศาราใดๆแต่ให้ธรรมทานให้เป็นสื่อทำคอยช่วยเหลือทนุบำรุงพระพุทธศาสนาปฏิบัติบูชาเพียงอย่างเดียวถือว่าถูกต้องและครบถ้วนตามหลักปฏิบัติหรือไม่คงไม่ครบมั้งถ้าครบก็คงจะต้องทําอย่างคนอื่นก็ทํากันบ้างแต่ก็ไม่สําคัญว่าจะต้องให้มันครบคอยมันครบทานศีลภาวนาก็แล้วกัน ขอใมนคบสามตัวนี้ก็แล้วกันจะทำอยู่ในรูปแบบไหนก็ได้ทานนี้มันมีหลายรูปแบบเช่นไปถวายสังฆทานนี่ก็เป็นทานถวายกรถินก็เป็นทานสร้างโบสร้างกุติสร้างวิหารก็เป็นทานอันนี้เรียกว่าขั้นทานขั้นศีลก็คือต้องศีลห้าศีลแปดขึ้นไปขั้นภาวนาก็เนี่ยถึงจะเรียกว่าปฏิบัติบูชา ก็คือจเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับโดนจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็ออกทางปัญญาพิจารณาไตรลักษณนนิจังทุกขังอนัตตาอันนี้ถึงจะเรียกว่าปฏิบัติบูบชาดะงนั้นก็ควรที่จะทำให้มันครบสูตร เพราะบางทีเราไปคิดว่าเราปฏบิบัติบูชาแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของกิเลสที่มีความตนีไม่ยอมเสียเงินเสียทองอยังหวงเงินหวงทองอยู่ก็เลยอ้างปฏิบัติบูชาเพราะปฏิบัติบูชาแล้วไม่ต้องเสียเงินเสียทองอันนี้ก็ต้องระวังต้องดูว่าเรายังมีความตนียังมีความหวงในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองอยู่หรือเปล่า ถ้าเรายังมีความห่วงอยู่เราก็ต้องทาทานไม่ใช่มาอ้างว่าผมปฏิบัติบูชาแล้วผมไม่ต้องทาทานปฏิบัติไปมันก็มันไม่ไเป็นปฏิบัติมันจะเป็นมันจะเป็นาการปฏิบัติให้กับกิเลสมากกว่าปฏิบัติให้กับความตณีความขี้เหนียวความห่วงทราบสมบัติเข้าของเงินทองเฉะน้ต้องต้องสังเกตดูที่ใจของเราเป็นหลักว่าใจของเรา ขั้นตอนมีความตันหนีหรือเปล่ายังมีความรักความหวงทรัพสมบัติเข้าของยังมีความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหรือเปล่าถ้ายังอยากอยู่ก็ต้องทําทานให้มากเพื่อทําลายความอยากเรารักษาศีลห้าได้หรือเปล่ารักษาศีลแปดได้หรือเปล่าก่อนที่เราจะไปปฏิบัติมันต้องมีศีลห้าศีลแปดก่อนมันต้องดูเป็นขั้นขั้นไป ถ้าเราไม่มีความตเนยเงินทองเราไม่หวงเราไม่โลภมากเราอยู่แบบสมถะเรียบง่ายมากน้อยสันโดษได้ทนี้ก็ไม่ต้องทําทานก็ได้ถ้าคุณไม่มีเงินที่จะทําทานก็ไม่ต้องทําทานแล้วคุณรักษาศีลห้าได้หรือเปล่าบ่อยสุดหรือเปล่ารักษาศีลห้าได้แล้วรักษาศีลแปดได้หรือเปล่าถ้ารักษาศีลแปได้อทีนี้ไป ป, ปฏิบัติบูบชาเขาจะเรียกว่าปฏิบัติจริงแล้วไม่ได้ปฏิบัติเพื่อ เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำทานไม่ต้องไปรักษาศีลมันต้องต้องพิจารณาให้รอบครอบมันจะถูกกิเรตหลอกได้ข้อต่อไปจากคุณสีนาฏนะครับขนาดถือศีลแปดดื่มกาแฟลาเต้ตอนบ่ายผิดศีลหรือไม่ทำไมคานโยเกิร์ตหรือช็อกโกแลตไม่ผิด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 หลังเสียงหลังจากนั้นเราก็ห้ามรับประทานแล้วชนิดที่สองที่ทรงอนุมัติอนุญาตให้รับประทานได้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วคือเภสัตห้ชนิดด้วยกันในสมัยพุทธกาลเขาเรียกว่าเนยข้นเนยใสน้ำอ้อยน้ำพึ่งน้ำมันเราต้องคําว่าจําว่าคําว่าเพสัชด้วยนะคำว่าเภสัชก็คือยา mm hmm. <laughs> กินเพื่อรักษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย อนุญาตให้กินพวกนี้เป็นยาได้แต่สมัยนี้พี่เราเล่นกินกันทุกคนเลย <c oughs> ป่วยแล้วไม่ป่วยก็เ <c> อ <oughs> าว่าความหิวเป็นความป่วยไป <c oughs> เรียกว่าเลี่ยงบาลีเข้านะอันนี้คือยาที่รับถ้าพารับประเคนแล้วถ้าอนาุญาตให้เก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันทีนี้สมัยยุคปัจจบุบันนี้เขาก็เลยต้องมาวิเคราะห์กันว่าไอ้พวกนี้มัน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 ให้กินได้เวลาไม่สบายทีนี้ไม่สบายก็ต้องไปตีความไปกว่าความไม่สบายเนี่ยขดึงมีอนุญาตให้่ส่วนน้อยน้อยน้อยค้นเนยใสเขา ก, ก็แปลว่าน้อยคอนก็เป็นน้อยแข็งไปเน้ยสายก็น้อยที่เราทาขนมปังเนยสายก็กินได้นี่ก็เลยถือว่าเป็นเพสัตย์อยู่นี่ก็คือเป็นน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 นี่คือของที่พระพุทธเจ้าทรงให้แยกไว้สามชนิดด้วยกันถ้าเป็นอาหารนี่ก็ต้องเช้าถึงเพลนถ้าถือศีลแปดถ้าถือทุปองคขวัดก็แค่มื้อเดียวพอฉันเสร็จแล้วก็จบนี้ของบางอย่างในสมัยนี้ท่านก็ตีความว่าเป็นอาหารเช่นพวกนมนี้ท่านถือว่าเป็นอาหารนมก็ดื่มหลังเที่ยงวันไปแล้วไม่ได้ แต่ถ้านันยิาดให้ดื่มน้ำปานะได้น้ำผลไม้น้ำแต่น้ำผลไม้นี่ต้องคันจากผลไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่กว่ากำปั้นผลไม้ที่ใหญ่กว่าเช่นะมะละกอสับ ป, ปะรดมะพร้าวแตงโมอะไรพวกนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ต้องเป็นส้มเป็นองุ่นเป็นแอปเปลิลอะไรพวกนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ และเวลาคั้นก็ต้องกรองเนื้อออกให้หมดไม่ให้มีเนื้อให้มีแต่น้ําถึงยาอนุญาตให้ฉันเป็นน้ําปานะคือน้ําผลไม้เพื่อให้กําลังกายร่างกายบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทรงอนุญาตแต่พวกน้ํานมนี่ท่านไม่ให้น้ํานมน้ําอะไรต่างๆที่มีนมผสมอยู่ โยเกินี่ไม่แน่ใจว่าเขาอนุญาตหรือเปล่ากขาไม่ทราบของบางอย่างไม่มีไม่มีในสมัยพระพุทธการก็เลยต้องอาศัยการวิเคราะห์ของครูบาอาจารย์าครูบาอาจารย์ท่านได้รับข้อมูลมาท่านก็จะวิเคราะห์ไปตามตามพระวิไห่ถ้าท่านว่าตกลงก็ฉันได้อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นไปตามวัดละกันวัดนี้ฉันได้วัดนั้นฉันไม่ได้ก็เพราะว่าอาจารย์แต่และองค์ท่านวิเคราะห์ต่างกันไป ฉันเวลาเราอยู่วัดไหนเราจะไปอ้างวัดนูน้นเอ๊ะทไมวัดนู้นฉันได้นะวันนี้ฉันไม่ได้เนียเราก็ต้องเขาลบกฎระเบียบของแต่ละวัดไปกับเรากันถ้าเราไม่อยากจะทําตามที่เขาทำํำเราก็ต้องเปลี่ยนวัดคําถามข้อต่อไปจากคุณกิศนะครับตอนนี้ใจอยากบวชอยากปฏิบัติ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 กร่อมอยังไรก็ไม่ยอมฟังไม่ยอมเลิกอดจนในที่สุดพ่อแม่ก็ต้องยอมอนุญาตให้ไปบวชอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาที่เราสามารถที่จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินของเราได้อยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่าหรือเราอยากเฉยๆ อ, อ, อยากให้มันเท่ๆนั่นเอง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 ทำายร่างกายเขาหรือไปทำผิดศีลผิดธรรมกับเขาแล้วไม่ถือว่าผิดแต่ก็ต้องพิจารณาให้รอบคอบสมมติว่าถ้าพ่อแม่เป็นอามภาพกอามภพาดไม่มีใครเลี้ยงดูถ้าเราไปบวชเขาตายแน่ๆอย่างนี้เราก็ไปไม่ได้หรือไปก็ต้องเอาเขาไปด้วยไปบวชแล้วก็พระพุทธเจ้าอนุญาตว่าอาหารที่ได้จากบิณฑบาตนี้เอามาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ อย่างนี้ก็ยังไปได้อยู่แต่ต้องเอาไปด้วยกันเอาพ่อแม่ไปอยู่วัดแล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ด้วยการเป็นพระนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตไม่ห้ามไม่เสียหายที่เกี่ยวกับเรื่องมีพระกรรมโยธาที่ที่ตัดคนคนเหตส่งแข่าใมันก็มีหลายอย่างที่ว่าเรื่องกรรมก็มีแต่ว่าเรื่องกิเลส ข, ของเราเองก็มี ตอนที่เกเรตเรามันก็มาขัดขวางมันก็อ้างนู่นอ้างนี่ไปร้อยแปดพันประการดั้นเราก็ต้องถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นหลักพระพุทธเจ้าบวชได้พระอริยสงสาวกบวชได้ทําไมเราจะบวชไม่ได้ท่านก็มีพ่อมีแม่เหมือนเราท่านก็มีบุญมีกรรมเหมือนเราท่านก็มีกิเลตเหมือนเราคิดแค่นี้มันก็จบใช่หไหมเราไม่รู้จักคิดกัน เพราะว่าเรายัางไม่ได้อยากจะบวชจริงๆนั่นเองถ้าอยากจะบวชจริงๆแล้วจะมีอะไรมาขวางได้ใมอยากจะได้ผัวพ่อแม่ไม่ให้ยังหนีตามเลยอ่าข้อต่อไปคำถามขอ้อต่อไปจากคุณหยุนนะครับ เป็นอริยบุคคลแล้วนิพานถือว่าหนีไปจากกฎแห่งกรรมเอาตัวรอดหรือไม่อันนี้มีคนฝากถามก็คนติดคุกแล้วคนเดีอกจากคุกนี่คนเอาตัวรอดหรือเปล่าคนอยากจะอยู่ติดคุกหรือเปล่าก็เหมือนกันแหละเว้นว่าตายเกิดนี่ก็เป็นคุกของการเกิดแก่เจ็บตายดีๆนี่เองมีใครอยากจะติดคุกอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายบ้างก็มีแต่อยากจะออกจากคุกกันทั้งนั้น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 ถ้าเขาทำบุญด้วยด้วยเจตนาด้วยความตั้งใจที่จะทําทแล้วเขาเชื่อว่างินที่ได้มานี้เป็นเงินที่ <c oughs> เขาไม่ได้บังคับให้เราให้เขาเราให้เขาเองจะจะสะอาดหรือไม่สะอาดนี่ไม่เกี่ยวกับเขาเหมือนคนมาทำบุญที่วัดนี้เราจะไปรู้เหรือว่าเอาไมา่ยังไงโ <c oughs> กงมาหรือเปล่าก็ไม่รู้พินทำผิดกฎหมายหรือเปล่าเราก็ไม่รู้อันนี้ไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่สนใจตราบใดที่เราไม่ได้ไปขอเขาไม่ไปเรียกร้องจากเขาแล้วเขาให้มาด้วยความสมัครใจเราไปทาบุญเราก็ได้บุญคำถามที่เหลือขอยกเป็นพวกนี้ครับอาจารย์ครับเอาจบแลนวใช่ไหมเยอะเลยเอาแค่นี้เอาอีกข้อก็ได้ครับ อ, อีกข้อครับ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 เมตตานี่ก็เป็นหนึ่งในกรรมฐาน40การแผ่เมตตาการคิดแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นก็จะทำให้ใจสงบได้ดะงนเราท่องบทที่เขาได้จัดให้ท่องสเปสัตตาอเวราหตุสเปสัตตาอปยาปชาโหตุก็ท่องไปเหมือนกับบริกรรมพุทโธพุทโธนั่นแหละ ท่องไปแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายของคําที่เราท่องด้วยเพื่อจะได้ทําให้จิตเรามีความรู้สึกนั้นขึ้นมาสัพเพสัตตาเวลาหุนตุกเ็หมายถึงว่าสัตว์ตั้งหลายเราอย่าเบียดเบียนกันเราเราจงอย่าจองเวรกันนะให้อภัยกันอย่าถือโทษโกรธเคืองกันอภับบยประชาหุนตุกก็คือเราอย่าเบียดเบียนกันอนิคาหุนตุกก็ขอให้ไม่มีความทุกข์กัน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 เพื่อความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ